กลับมาได้เวลาไม่เช้ามาอยู่กไปฟางคนเลือนไปเรียมหมอตกเรีอนกันสุขภาพทั่วไปโดยรวมก็ไม่มีอะไรน้ำตาลก็ลงมาเป็นประจุสำคัญไม่มีไม่เด็ดขาของใจเพราะว่าปล่อยให้น้ำตาลมันสูงสภาพรวมก็มีอะไร ไม่ได้เป็นใครไม่ได้มาหมาดูเลยรอดูเลยไม่ได้ไม่มาเรื่องจิตใจบ้าจิตใจมักคับใครไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะบังคับใครได้โดยพลักันเช้าชวนทำความดี ให้เกิดขึ้นมาตัวเอนี่เป็นเรื่องยากในดีฝ่ายที่เข้ามาโดยตรงพิสม น, น, นั้นก็เน้นก็เป็นเรื่องยากลำบากอย่างวันนี้วันพระความจริงแล้วน่าจะเห็นตรงกันก็จะตรงกันพิสัทธาต้องมาก่อนแล้วก็เรื่างิสัทธาเป็นไหนก็ไม่รู้ ศรัทธาอาจจะมีเป็นน้อยเรื่องน้อยนี้เป็นกําลังถ้ามันมีศรัทธาก็คือไม่มีกําลังคือมีพลังเมื่อ่มีศรัทธาความเพียรที่ต่ออะไรมันก็ไม่มีที่ที่ทําความเพียรมันเป็นรเพียรยาวนานมันก็องมีเมื่ความเพียร น, นี่มีสติจะมาอย่างไหน จราเลิกนึกขึ้นมาได้ทียื่อตัวแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้มันไม่มีทีนี้หนักกว่านั้นอีกมุสติมีสัพพิไม่มั่งคงหรือไม่มีเลยไม่เกิดขึ้นเลยไม่รู้จักสมาธิคืออะไรจิตเป็นวัิเป็นยังไงอันนี้สองหรือว่าประโยชน์ขอนการเกิดจากสมาธิเป็นยังไง ในขณะที่การล้วก็ยังไม่เห็นโทษเปิดจิตที่ไม่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรสรุปคุณก็มีเห็นโทษก็มี้ตัวตัวสุท้ายคือปัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมันไม่มีทางเกิดแน่นอนเมื่อห้าอย่างนี้มันไม่เกิดจะมีพลังมาจากไหนจะมีกําลังมาจากไหนนี่คือองค์ประกอบของการ ปฏิบัติเยนนักปฏิบัติเพราะนั้นศรัทธาจะมีจิดเบื้องต้นที่เราถังฟังเข้าใจฟังกันโดยเื่อยืนยันศรัทธาในการปฏิบัติโดยต้นแบบต้นแบบต้นแบบคือผู้ใาประธรรมทาริยสองคือพระโสดาบันติดต่อเนื่องมาของเราแต่เราก็มีการปฏิบัติสวนความเชื่อสุดท้าย ก็ฟังตามๆกันมาเชื่อตามๆกันมาเพราะไม่มีปัญญากรรกับไม่มีเตสิที่มีอะไรที่มีปัญญาสุดท้ายก็ความเชื่อการปกครองงานการทําตามเขาว่าเขาคิดว่าเราพูดว่าเรื่เป็นแนวปฏิบัติหลากหลายตามความเชื่อก็คือสัทธานะผมพูดแก่เขาว่าสัทธานพูดแก่ มุ่งไปที่ป ร, รารถนาใจเป็นหลักถ้าจิตจะไม่ศรัทธาในป ร, นรารถนาใจหนักให้มีทางที่มั่นคงนทางปฏิบัติวันนั้นิดเบื้องต้นของจิงตผู้มีระดับสูงก็คือศรัทธาถ้าจะมั่นคงเรียกว่าอาจจะละศรัทธาพระที่มันมาไวที่จะไม่วนไหวไปตามสัญญาอารมณ์มันกระทบมาปฏิบั กิจไม่รู้ตอนต่อน ต, ตามถ้ารู้ไ้ความเป็นจริงแล้วว่าสิ่งที่พึ่งได้จริงๆ ค, คือระรัตนาใจไม่ใ่หรอกดังนั้นโบราณอาจารย์ได้มีวางกฎเกณฑ์นอันนี้ไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งการไหว้พระเช้าเย็นก็คือการพรัณนาพุทธคุณธรรมคุณศาคุณจะเป็นภาษาเราง่ายๆกันการเปนหนึ่งกับภรรยาพุทธคุณ อันที่สองทมคุณสัมผัสคนที่เราทำวัช้าทวันเย็นอันนี้แต่ถ้าม่เราไมมีสิ่งเหล่านี้เลยหนักของาเขาอไม่มีอันนี้เป็นเชิญสัญญลักษณ์ว่าเราเข้าใจเราเคารพนบน้องในพันธนาการโดยการเปล่งวาจาบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจที่เราเปล่งคืออะไรความหมายที่แท้จริงคืออะไรแต่เราก็ยังไหวนะสวดมนต์กันแตถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แถวหลักๆเพื่อนนี้คือทางการให้เราเข้าถึงพระรศาสนาใจเบื้องต้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมางทบทวนด้วยว่าการมาเข้าถึงพรรงาาุทรศาสนาใจคือเอาผู้เจ้าประทับประสงค์เป็นหลักคือหลักคือหลักคิดหลักพูดหลักธทำในชีวิตประจําวันไม่ใช่หลักอะไรก็ไม่รู้เอามาคิดเพราะว่าหลักของเรานี้ผู้เจ้ากั้งกองแล้วแม้แต่เรื่องศีล กูจะไปแจกละเอียดเริ่มต้นจากสินเล็กน้อยสินขนาดกลางสินขนาดใจญ่คือปราบกิเลสกิเลสอย่างหยาบเนือางกลางกิเลสอย่างละเอียดตามลำดับขั้นตอนหมายคก็ว่าของหยาบก็เอาของหยาบนี้มาตบกันก็เมือก็เปรียบเพศก็ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วว่ามือนกัด่าสา มือช่างไม้ก็จะขัดไม้ถ้าเป็นงานใหญ่เขาก็เบอร์ที่เป็นหยละเอียดขพิ่มาห น, น่อาเบอร์ที่ละเอียดเพิ่มแต่ถ้าละเอียดที่สุดเขาก็เอาดาซายที่มันละเอียดที่สุดขัดเใช่ไหมถ้าเรามองเป็นธรรมะเจตต า, ก, าก็เหมือนกันทำหยาบอยู่หยาบเนยไม่ได้แบบหยาบคลายหยาบช้าลามกเขาว่าหยาบเนี่ยหมายถึงพฤติกรรมที่เป็นทางกายทางวาจานี่ถือว่าหยาบเลยนะ ไม่ได้ละเอียดว่าถึงสูงอะไรเลยเพราะนั้นกินปงต้นจุลศิลป์คือศิลเล็กนน้อยเช่นหา่นกาตัดตัดชีวิตแล้วก็ผิดไปก้างอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องละเอียดหรือว่าจะบไม่สามารถที่มองเห็นด้วยแต่เนื้อแต่หงตาธรรมดาไม่ว่าอยากขนาคนเก็บยากเลือดิลเล็กนิดน้อยเราจะปฏิบัติกันไม่ได้หมายถึงคนส่วนใหญ่ปฏิบัติกันไม่ได้จะเป็นในมาว่าความเดือดร้อน ในชีวิตประจําวันของเราก็เห็นกันอยู่ความรุนแรงก็จะอะไรก็อันนี้แหละอันนี้มันยาแบบปฏิ บ, บัติไม่ได้ขากันไป่ากันมาทำงานร่างกายสัตว์นี้ทุกวันดูข่าวกันนี้ทุกวันอ่านทุกวันตอนนั้นไม่มีแล้วโอ้พระราชา้ามาโอ้ถ้าเราไม่มีสิ่งอันนี้ดูว่ายาอยามมากเลยอันนี้แค่แบบยาเลยทําไม่ได้อันนี้ห ม, มายถึงทางป ร, ริยัติ ในทาปฏิบัติไม่ต้อ ง, ง, อง ก, กังวลไม่ต้องแยกกันบริยกปฏิบัติมันแยกกันเวลาคิดในทางปฏิบัติก็คือณนะตอนนี้เวลานี้คือไม่เราไม่ต้องไปขอสินกับพระตอนนี้เป็นสินทันทีคือกายวายารปกติมันเป็นสินทันทีเลยส่วนที่เรียกว่าจุลศินมัชจิมาสินหรือมหาสินมันที่วิธีคิดที่ปฏิบัติยังคิดหยาบคาย นี่เป็นเรื่องของธรรมละเอามาใช้ไม่ใช่เรื่องขสิ่งเรือมโนธรรมําไม่เกิดจากใจอันี้มโนธรรมคือธรรมะที่เกิดจากใจธรรมะมันไม่อยู่ในใจเราจะเอามโนธรรมมาจากไหนทใจไม่มีธรรมะต้องจาว่าใจไม่มีธรรมะไม่ใช่มันไม่รู้ธรรมะมันรู้มันมีธรรมะกับรู้ธรรมะมาคนราเรื่อง เมื่ก็ละส่วนกันห่างกันฟ้ากับดินแต่ถ้าเรามีธรรมะแง่นเล็กน้อยตัวอย่างเช่นยิ่งคือเฮลิโอตปะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจะไม่กล้าทำเหตุที่มันไม่ดีไม่งามสสถสัตว์ประยัติยะมาเกิดตอนนี้อันพึพ่งผพาได้ตอนนี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ยากเลนที่ปฏิบัติจะเข้าใจรู้จะเริ่มต้นยังไง ทับกลายยังไงสุดท้ายปลายทางยังไงเหมือนกับชีวิตเราสุดท้ายไม่รู้อะไรคือชีวิตสับสนปนเปยไปหมดข้าพเจ้าคือใครเริ่มมาจากไหนตั้งอยู่ยังไงแล้วจะไปยังไงมาอย่างไงอีกหลายคนสับสนอย่างนี้ควาไม่รู้ว่าเริ่มต้นมาจากไงตั้งอยู่ยังไงระดับไปยังไงคือเขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั้นเองอันนี้กระบวนการของชีวิตของเรากระบวนการเหล่านี้ ตามใจที่เราจะไม่เข้าใจชีวิตที่เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบก็เลยคือธาตุสี่กันคือดินน้ำไฟลมนี่คือองค์ประกอบมันประกอบกันอยู่มันไม่ได้แยกกันอยู่ดินน้ำไลออฟลมโยธาสี่ธาตห้าเกิแยกออกมาที่เห็นชัดเจนกับเป็นรูปเวทนาเป็นแววสังสารธาตุสี่กับห้านี่แหละจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเรา ก่อนที่เป็นาตุสี่กัดห้าพูดถึงความเป็นอยู่ของเขาความเป็นอยู่ของมันธาตุสี่กัดห้า 5, ตัวที่เป็นประส า, ตสส น, านตัวที่สำคัญที่สุดดาดาทั้งสี่เงือนดินน้าไปลมก็คือลมแม้แต่พู้ดูเองก็ดูลมหายใจนี่หลายชาติหลายภาษามีการเรียนรู้สิ่งหลง่นแม้แต่จีนโบราณเขาก็าสนใจสิงง่งหล่น คือลมหายใจเขาเรียกว่าพลังชีพชีพไปของลมหายใจนี่ก็ไม่หรือที่เราก็จะตรงกันนั่คือลมปราณการฝึกลมปราณที่เขาไล่ํากันหลายหลายตัณท่าติทางสุดท้ายคือหายใจนั่นแหละอันนี้คือชีพพรังในขณะเดียกันเขาเอามาใช้กับทดลองกับสัตว์อันนี้เป็นความยุโรปบ้าง วิธีคิดก็ไม่เหมือนกันเนือเ่องจากยุโรปเขาจะคิดเป็นวิทยาศาสตร์คิดวิทยาศาสตร์ก็ไปเอาคิดมันต้องพิสูจน์ได้คำวิทยาศาสตร์คือพิสูจน์ได้พิสูจน์จากอะไรจะเอาคนก็ไม่ได้เอาคนทดลองไม่ได้ก็ทดลองจากสัตว์อันนี้คื อ, อยุโรปตะวันตกมีงานวิจัยหลายชิ้นหลายงานที่ง่ายคือเอาสัตว์มทดลอง หนูมังกรตายบนะ้าเป็นสัตว์ทดลอมเร็วหนูลองอยางลองจากหนูโดยเฉพาะลมหายใจเป็นงานที่น่าสนใจระหว่างมนุษย์กับสัตว์มันหายใจต่างกันยังไงเรามาดูดูวว่าพูดที่จะคิดเรืดด่องนี้ได้ยังไงในขณะทุกวนันกําลังศึกษากำลังวิจัยกําลังเรียนรู้ทดสอบทดลองแต่พู้จ้างเรารู้มาสองพันปี มีเรื่อน่าอัจรรย์พลังวิตญาณมา ก, ก็ไม่เป็นไรเสียไปความรู้ตนก็เจ็บหนูกนะารหายใจของหนูมันจะสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวเขาบอกหนูนี่ถ้าลักษณะอย่างนี้คือถ้าหายใจอย่างนี้เขาจะอยู่ได้ประมาณสามถึงห้าปีเดยประมาณทีนี้มาดูที่แสนที่ยืนคือเต่า เรากดูว่าเต่านั้นหายใจยังไงหายใจสั้นหายจะยาวหายใจสักนาทีกี่ครั้งก็ทดสอบตลอดปรากฏเต่านั้นอายุยืนกว่าคนนะเต้าอายุร้อยร้อยี่สิบปีเขาจะทําอะไรช้าๆเดินเห็นตัวอย่างช้าเหมือนเต่าอะการอยู่การกินการที่ยวค่อยๆไม่ตะกุมตะกรรม เขาจะค่อยๆกินที่อาจจะไม่ได้พิจารณาเหมือนคนเหมือนมนุษย์แต่วิธีการกินของเขาค่อยๆเชี่ยวง่ายเชี่ยวละเอียดเพราะนั้นใครที่เคี่ยวละเอียดจอยู่แล้วก็หายใจของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าหนูนิดหนึ่งไม่ได้หายใจที่ยาวเหมือนหนูนที้กลับมาที่คนนะครับพัฒนาต่อบคนหรือเป่าทำชาติของคนหายใจ ต่อนอาทีต่างกันอย่างไรปฏิหายใจสั้นปีิหายใจยาวหายใจปกติตัวมนุษย์เราโดยเฉลี่ยหายใจไม่เยอะประมาณสิบสองถึงยี่สิบครั้งแล้วแต่ต่อนอาทีนี่ธรรมชาติเวลาเกิดกันกระทบปฏิฆาติ้นมาก็าจิตมันเกิดกระทบขึ้นมา เัาจะหายใจเร็วมันเปลีป่ยนแปลงนะจนตื่นเต้นต๊ะไกลหัวใจจะเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วอะไรก็แปลว่าลมมอยายุสยั้นเป็นความหมายอันนั้นแปลว่ามันได้หายใจปกตินี่จาการศึกษาจากกา ร, ร, ราางานที่ใจประเห็นนะว่เวลาเราโกรธถ้าเรามองหอัวเนหัวใจมันจะเต้เนแบบแบบแ บ, บ, บคือคุมไม่ได้ ถ้าวัดชีพจรตอนนั้นมันอาจจะได้มันจะเป็นเร็วมากมากแต่เมื่อหายใจกับใจปกติหายใจธรรมดามารู้สึกผดลอนลายมันจะกลายเป็นอยุ่ืนเห็นไหมในอันสงลมหายใจแค่ลมหายใจเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรมหายใจย า, ยยาวแล้วก็ล่อนย า, ยยาวใหามันเต้นให้มันทั่วกายสังเกตลมหายใจฝึก ทำตอนไหนเขาบอกทุกครั้งที่เราถ้าจยากจะฝึกสติบางตน้นก็ลมหายใจเกิดเราเริ่มเรื่อยเกิดเมืไรก็หายใจเดินยาวกันไว้หายใจออกยาวหมดสติมันจะมีการหาตัวเอง mm hmm. ในงานปฏิการสติมันไม่อยู่กับตัวพอคิดไปปุ๊บในจินตการอะไรปุ๊บมันจะนอยู่ข้างนอกตอนที่สติก็คือรู้สึกนึกคิดเพราะนั้น ระบายสติกับลมหายใจท่านไงมันถึงเรียกสำคัญกันทําไมดีถ้าทำงานร่วมกันได้ก็เราก็ลองเราสังเกตสการเราไปอึดอหายใจยังไงมันจะสบายหายใจสั้นหายใจยาวลดกันลงหายใจไวเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีลมหายใจมันก็จะอึดอัดกาดคล่องหมดอันนี้คือลมหายใจแต่ถ้าหายใจปกติธรรมดาโดยไม่ต้องตื่นเต้นไปดูคือกดไปมองมันหายใจธรรมดา อายใจธรรมดาก็ไปว่าเมื่อไรหายใจเข้าเนี่ยมันจะพองคือท้องเรามันจะพองขึ้เราหายใจลึกๆแล้วขัะท้องเราควรจะพองพอปลอลมหายใจออกทํามันจยุบให้มันชุกโันมากอยู่ตกล้ันหนักล้วแล้วเริ่มเห็นว่าเออถ้าเราเห็นสติมันเริ่มอยู่กับตัวแล้วมันคลองล่างเริ่มรวมสติอยู่กับตัวแล้วเพื่อให้มีสติต่อตัวเองจากลมหายใจ คือผู้ใจใช้หายใจเข้าหายใจออกมีฝึกแค่มันมีสติให้ลมหายใจกับสติถ้าเป็นอันเดียวกันให้เป็นเรื่องเดียวกันผู้ใจที่จะประคองยังไม่เท่ายังไม่ใช่คำโบราณไม่ใช่แค่ลมเข้าลมออกหรือใช่เพียรนับก็ได้หายใจเข้าออ ก, กันไว้นับหนึน่งสอสามสีหา้าหายใออกครั้งหนึ่ง ก็คร uh, ั้งนับไปได้เรื่อยๆสติเกิอยู่กับตัวแล้วเราก็ปล่อยดูหายใจปกติธรรมดาต่ไม่ต้องนับไม่ต้องพุทโธหรืออะไรก็ล้วให้รู้ว่าเข้าก็ออกหรือพุทโทกลงกลับก็ได้นั่นก็นะจนสุดท้ายมันเข้าล็อกมันอัตโนมัติซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เท่าไหรเมื่อไหร่ยังไงมันจะเป็นธรรมชาติของมันนี่คืออธิบายอามหายใจ อยากมมันไม่พูดเราลมอยากลมกังอะไรแบบนสุดท้ายมันลืมลมหายใจมันเขาเล่าความรู้ใจรู้ใจใจมันหายไปใจเสนี้สภาวะใจเป็นยังงี้รู้ใจเสร็จแล้วน่าจะรู้ก็มาคือใจแล้วาใสตินสติเราไรู้ทีนี้ใจมันคิดอะไรมันตรงอะไรมันแต่งอะไรมันเจ้ ความสุขมันจะรู้พวงการทุกข์มันก็รู้ซึ่งธรรมชาติเรื่องเราไม่รู้ปฏิบัติไม่ใช่ก็ดูมันเราเปลี่ยนเป็นผู้ดูมันเป็นคนแสดงให้เราอย่าไปแสดงกับมันมันสุขก็อย่าไปสุขกับมันมันทุกข์ก็อย่าไปทุกข์กับมันนี่คือหลักฐานในปฏิการนี่เขาเรียกว่าใจสภาวะใจเหมือไปหนึ่งใจยังสุขอยู่อารมณ์ัยใจแต่ยังทุกข์อยู่กั่ใชจมันใช่ไหมต้องการ เป็นจริงาเรารู้ว่าเออแสุมันเป็นอย่างนี้แกมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้ก็เลือกเอาแต่ถ้าจริงๆก็คือมันต้องไม่สุขไม่ทุกข์เลยทุกข์ามะคือไม่สุขไม่ทุกข์คือเป็นกลางกลางคือวางนั่นแหละนิโธวางอารมณ์เนี่ยไปได้ไกลละวางอารมณ์ตั้งแต่วางรูปวางได้รูปว่าคือรูปที่เป็นรูปรไางคื่มันยึดที่มันจิดมันติดอะไรมันรูปมันวางได้ ก็เลยแต่อารูปมันละเอียดกรับอีกอารูปเกิดจากอะไรมันจิตถ้าไม่ได้มจิตมันต้องมีที่เกาะมันอยู่เฉยมันไม่ได้เหมือนตอนนี้เหมือนพวกเรารูปเวทนาจิตวิจารต่างกันสี่ตัวหรือมันอาศัยรูปอยู่ก็คือเกาะนั่นแหละหรือว่ายึดนั่นแหละมีที่ยึดอยู่คือรูปรูปบางรย่างก็ทัดเียกันนั่นของเราเมื่อจิตรูลมหายใจมันดับมันไม่มีลมแล้ว จิตมันไม่รู้ไปเกาะอะไรมันสื่อสารอะไรไม่ได้ไดกับรูปอันนี้หมายความว่าลมบมดลมแล้วดินน้าไปลมลมมันออกไปแล้วจิตก็ยังอยู่นะมันอยู่ไฟก็ยังอยู่เมืม่อมีลคพอตัวที่เชื่วมต่อตัวที่เกิดการรับรู้ตัวที่เป็นสุขานระหว่างรูปกับนามมันไม่มีแล้วคือมันชักสุพานออกก็เกิดเต้ตนา้ำสี่ตัวที่ทําหน้าที่ แต่มันก็ยังยึดรูปอยู่คือรูปละเอียดรูปหยามันไม่ยึดยึดไม่ได้มันเกาะไม่ได้แต่ว่าในขณะที่มันยึดมันไม่มีสติแล้วมันไม่เหมือนกับยึดที่เป็นรูปที่เป็นหยาบนะมันยังมีสติอยู่มันยังฝึกได้อยู่มันยังรู้อยู่นี่คือความแตกต่างความแตกต่างระหว่างจิตที่มันรูปหยาบกับละเอียดมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจิตมันยึดรูปละเอียดเอาไว้ ในขณะที่เราไม่มีสติคือระลึกนึกไม่ได้เลยก็เหมือนคนนอนหลับไปเปียกเทีย น, นตนน่างๆอย่ตรงนี้นั่นแหละคือ น, นอนหลับคนนอนหลัก็ไม่ต่างอะไรคนตายแต่มันสําคัญเกิยังมีลมหายใจแค่นั้นเองแต่ถ้ามันไม่มีลมหายใจแล้วมันก็ยึดแค่สี่ตัวสี่ตัวไปไหนตัวนั้นเรามันจะไปต่อไปไหนพบภาวะ ค่ะอันเดียวกันขวามหมายอันเดียวกันจิตมันจะเป็นต้องมีที่ยึดที่เกาะที่พึ่งมันต้องยึดอยู่เพราะเราอย่างละอุปาทานไม่ได้จิตยังมีอุปบาตฐานอยู่มันก็ไปยึด ต, ต่อยึดอะไรหลักๆคือหนึ่งยึดรูปสองยึดนาม น, นี่เรียกว่าติดนะอุปบาตฐานรูปคือรูปที่เป็นละเอียดนามก็เป็นละเอียด มันละเอียดก็อีกภาษาเรียาฌานแต่พูจ้าเรียกว่าฌานมันก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเพราะมันยังยึดอยู่ยังอุปาทานอยู่แต่มันไม่รู้คือไม่มีสติพูดง่ายๆซึ่งต่างกับท่านที่ขันห้าอยู่มันมีสติมันเห็นระเนือขึ้นมาได้ในเมื่อมันไม่มีสติมันก็ไม่สามารถเรียนอนปล่อยวางได้คือไม่สามารถจะวางรู้กับนั้นได้ พูดง่ายแม้จะเป็นรูปหยาก็ตามรูปละเอยียก็ตามเหมือนกับรูปหยาที่เรามีอยู่เหมือนทุกวันนี้เราก็ยังวางรูปหยานี้ไปได้เพราะอะไรพอเราคิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นกับเขานี่กับเราสุดท้ายก็เจ้าของนี่พูดง่ายๆคือเป็นเจ้าของคิดเองนะคิดว่าเราเป็นเจ้าของทุกแต่ละคนที่มีอยู่ เพราะเราไม่เคยคิดว่ามันไม่ใช่ของเราเลยแนวความคิดอย่างนี้มันเราไม่เคยคิดเลยเราคิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนละกันี้ก็บอกนี่คือของเราหรื่อไปของเราก็ต้องรักษาไว้ต้องยึดอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือ น, นทรัพย์สมบัติดาอเทียมอยู่เข้าของเงินทองบ้านเจ้าห้องหอรถลาทั้งหลายแหละอะไรที่คิถือเป็นของเราซึ่งไม่ใช่ของเขาเราก็จะยึดไว้ความยึดความอยากที่อยู่นี่แหละ เป็นที่มากองว่าทุกข์ขัดลำบากขึ้นอัดขัดเคืองวางไม่ได้ลอยไม่ได้กลายเป็นยึดจะเจอร์อุปท า, านมันจะเป็นเงินยึดหยาบก็ตามยึดเรียกก็ตามกาม็ยังชื่อว่ายึดอยู่มันไปต่อไม่ได้มันก็ได้แค่นั้นสุดท้ายมันก็ไปเรียกว่าพบจิตมันยังคล้องอยู่เรียกสัตตานี่แหละมันยังคล้องอยู่ มันก็ไปที่มันคล่องๆนี่แหละถ้า่องอยู่ในพบการ ม, มาพบมาติกา ร, รูประพบกไปที่อ่อารูประพกไปที่อะไรรูปรพบพราะนั้นก่อนที่มาเป็นชาติอิรวดาชาตแต่พบพบสิลธิกระชาติคือเกิดเป็นไงเดี๋ยวจุดติอันเดียวกันมันก็เคลื่อนแต่อีกฝั่งหนึง่งเขาเรียกว่าเคลื่อนจิตมันเคลืนคือเคลื่อนจากพบนั้นจากภาวะนั้นจากภาพนั้น ไปเป็นอย e. ai, ่างอื่นแต่จะไปเป็นอะไรถ้าหมดอายุไขเหมือนกับพวกเราคนวหายคือหมบุญมบุญเอาไปไหนต่อเลยอ้าวจิตที่ไม่เคยฝึกเมื่อเคยหันเึงอะไรเลยนึกอะไรไม่ได้หมดสภาพมันเปนคนชิ้นเนื้อประดาตัวคนเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอยู่ยังไงคนเคยรวยแต่ตอนนี้ไม่รวยอยู่ยังไงคนเคยอยู่ดีๆตอนนี้ไม่อยู่ไม่กินกินยไงอ่าวไม่รูทุกข์ ดูความลาบากกรปังสติปัญิติกรรมเป็นตัวจําแนกแยกแยะสรรพสัตว์ทั้งหลายคือการกระทํานั่นเลยกรรมไม่ใช่เป็นผลขอหมายถึงกันกระทําอาจจะไปตัดลดเป็นแยกแยะส่งผลไปตามภู้มชั้นของจิตที่มันชลาที่มันยึดเอาไว้ให้มันถืออะไรความ์ชะลาของจิตที่หยุดตรงนี้กมาตั้งต้นใหม่ที่ศีลเห็่นกก้เป็นย้ําสําคัญออกมาว่าโอ้สิ่งที่พึ่งทางจริง แต่คนที่อยู่เป็นมนุษย์เคยเป็นมนุษย์เคยเป็นคนเลยสินห้าไม่ครบเลยหรือไม่มีสินห้าเลยอธิบายหลายครัง้งหลายหนนะว่าโอ้ลําบากมันไปไหนอ่ะมันไหลไปนน่นมีรูปมีขันเหมือนกันท่าสีกันห้าเมืออกันทุกอย่างยืนเดินนอนกินทําทำบคิดเจอกล้าเหมือนกั น, กม น, น, น, น, กนกหมดแต่ความฉลาดไม่มี เขจะลายเกินุศลที่คิดแบบฉลาดมุรามันไม่มีไม่มีแนวควาคิดถึงเรื่องการละทอนไปบางอย่างไม่ต้องมาพูดถึงโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเอาแค่ okay. เอาตัวรอดไปวันวานเอาแค่นั้นนะมันอยู่ได้แค่นั้นอืม hmm. ซึอต่างกับคนต่างกับมนุษย์ที่กำมาเป็นคนดีเหมือนพวกเราตั้งก็ตื่นรู้โชคดีเพื่ออะไรเพื่อไปทับตอ่อ ก็ไปต่อยอดเพื่อไปเพิ่มบุญเพิ่มกุศลใหม่เวันนั้นพุทธเจ้าถึงจัดเอาไว้ว่าคนหรือพู้เราเป็นหมดทุกอย่างเขาเป็นก็คือเคยเป็นมาหมดทุกอย่างแล้วแต่เรามองไม่เห็นอดีตมองเห็นอนาคตเหมือนที่พุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้ามันบอกว่ามองย้อนไปกับอดีตแม้แต่พระโอ่งก็เหมือนกันพอ่ก็ไม่ได้เป็ิเศษเราเป็นเป็นสิ้งแสลาสับ เป็นมาแล้วพูดถึเจ้านะ่ะพูดถเจ้าเป็นคนที่น่ารักดีอะไรพูดถึงหมดพูดอยู่เสมอว่าลักษณะเด่นของพูดเจ้าคือคือพูดอย่างไงทําอย่างนั้นคือทํายังไงก็พูดอย่างนั้นคือรู้ยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ปกปิดพูดความจริงแม้แต่ตัวพระองค์เองเคยเป็นอะไรมากก็ยังมาเล่าให้ลูกศิษย์รู้หาฟังแม้แต่สาวกเหมือนกันเมื่อก่อน เธอก็เป็นนั้นเป็นอธิบายอย่างหมดเคยเป็นผู้หญิงมาแล้วก็เป็นเป็นสาวอะไรก็เป็นเป็นหมดต้นไหนไม่เคยเป็นเหมือนคนนั้นพวกเราถือว่าช่วงคือมาถึงนี้ในขณะที่เป็นคนเป็นมนุษย์อย่างไในปฏิบัติธรรมสำคัญมากๆตรงนี้และจงภูมิใจในความเป็นคนเป็นมนุษย์ในความปลุกใจในกาลืมต่อยอดต่อความดี อ ย, อย่างน้อยทสุดคือไปไหนไม่ได้แไปในไก่กลับมาเป็นคนก็ยังดีงดเดี๋ยวเป็นเสียเป็นคนกลับมาที่เดิมนี่แหละเป็นอย่างน้อยเราก็มีศีลเป็นที่ดดตั้งมี่ศีลเป็นพระทันฐานศีลเป็นทื้นฐามอาจจะเสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าต่ํากว่านี้อีกโอลำมากเลยลําบากสมว่าเราเป็นเต่าที่เราฟังอยู่กราเป็นร้อยปีเลยน่ะในร้อยปีเรสวนเปล่าเลยนะศีลทั้ตัวก็ไม่มีลาบากนะ จอแล้ไม่ใช่ระบาดธรรมดานี่เขาเรียกว่าเสียเวลาเสียเวลาที่จะเปนอยู่ในภพในชาติโยความเนิ่นช้าเป็นธรรมที่เนิ่นช้าเกิดขึ้นดัะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องยกเพยงอยางเดลยอย่างน้อยที่สุดก็คือศีลห้าเป็นวิฐานอย่างน้อยจิตไมเฉื่อย ล, ล้าแล้วสวดตัวจารอตเอฟโอศีลห้าดอกกไหแต่เราควรตั้งใจอธิษฐานวิรัตเจตนาตันที่แบบนี้วันนี้เราปรนานาธิปตาถึง เรือะไรระยะเรากบเราไปดีแน่นอนถ้าจิตตั้งไปอย่างนี้ไปที่ขั้นเกความดีแต่ความที่ดีจะเป็นนึกถึงมันบ้าะอันตราอย่างนื้สารละลายจะเป็นนึกถึงมันความไม่ดีทั้งหลายจิตสุดท้ายต้องระมัดระวังเพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในยาอย่างนีน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่อเวทนาดิขันหลั ก, ก, กแรงเรงิง จิตมันจะอยู่ไม่ได้เลยเวทนาได้เกิดขึ้นสุขภเวาทุกขเวทนามันร้อนแรงมันอยู่ไม่ได้เก็บไค่ได้ป่วยเป็นต้นเวทนาบีบคั้นหนักนมันอยู่ไม่ได้คนที่เป็นโรคเยอะโรคแรงแรงโรคหนักหนักเขาไม่เจาะอะไรมากแค่บาดแผลเดี๋ยวทุกขเวทนามันอยู่ไม่ได้ตั้งแต่มันไม่ได้อยู่สนตัันใดเลยแต่เวทนามันแรงบีบทั้นความเวทนา คือตัวแรกรูปเวทนาเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นให้เราทั้งหลายเรียนรู้ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหนึ่งก็คือรูปมีความเป็นมาอย่างไรสําคัญอย่างไรมันรวมกันอยู่เป็นยังไงแยกกันอยู่เป็นยังไงหยาบยังไงตาละเอียดเป็นยังไงคือรูปแต่ตัวที่มาอาศรูปอยู่คือนามนี่สําคัญเลยมือรูปนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วร่างกายมันอยู่ไม่ได้แล้วตัวนามันไปต่อมันไปไหน สตัวก็เวทนาใจจิตใจมันดูดกันเวทน า, า, นาสศขาทุกขะเฉยคือตัวเวทนาตัวเวทนาแท้จริงไม่ได้แปลว่าสุขแปลว่าสบายหรือไม่สบายนี่เกี่ยวกันเลยทักษะตัวก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าเออสุขภเวทนาคุณโทษเป็นอย่างนี้ทุกภาเวทนาคุณโทษมันเป็นอย่างนี้แต่ต้าวางได้ในระดับใดระดับนี้มันยิ่มีอันสมเลยถ้าวงางได้ในกระดาษหน้ากระดก็ใจเป็นกลา เรปู่หลวงพ่าทั้งลาแล้วคขาบอกคำว่าสนใจคำว่าใจเป็นกลาง ค, <c oughs> คือเข้าถึงความเป็นกลาในในงด้วใจเท่าไหร่โดยธรรมะแต่ต้องไม่เอาสุขเอาทุกข์นะวางสุขเอาทุกข์คืออารมณ์เต็มไปสูส่ทุกเรื่อคือเพ่ง อ, รรอรารมณ์ อ, นนนน อ, อ, อนหนึ่งอารมณ์กลางถ้านยังไม่ให้แต่จำเพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นจดจออยู่กับอารมณ์อะไรหนึ่งไม่ให้แต่ทำบริกรรมก็ถือเป็นเรื่องเป็นกลางอยู่ทำบริกรรมคือไม่ได้คิดดีไม่ได้คิดชั่ว ตัวคำบริกรรมเป็ต่างแม้คำบริกรรมเป็นหลักก็ถือว่าดีดีกว่าในขณะที่ออกจากคําบริกรรมแล้วจิตให้เปลีนแปลงมันก็อยู่ในสิ่งที่มันชอบหรือสิ่งที่มันไม่ชอบที่เราเรียกสุขล่ะที่เกิดขึ้นใ น, นมันชอบมันก็อยู่อารมณ์ในมันชอบเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่ชอบแล้ว่ารบมันก็อยู่ใงไม่ชอบที่งไม่ใช่วความพอดีอะไเล ย, เลยไม่มีข้อดีเลยเลยเป็นคขามเป็นกลางเท่านั้น นั้นถ้าจิตเราไม่เป็นกลางแบบนี้ยากที่เข้าใจสรระสิ่งในงทั้งะวมยากที่เข้าใจคนอื่นแม้แต่ตัวเองยงังไม่เข้าใจจะไปเข้าใจคนอื่นได้อย่างไรเพราะนั้นความยึดความอยากที่มีอยู่หรืออปรารทานมันก็จริงจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้อน อ, นอของที่มีอยู่มันก็ลำบากแล้วยังละทอนปล่อยวางไม่ได้ของที่มันพาระเพิ่มขึ้นมาอีกยิ่งหรักก็เป็นอีกเพราะนั้นทําอย่างไรก็ได้ ให้สาระมันน้อยลงความยึดความใจขึ้นอยู่มันน้อยลงให้มันเบาลงอยาให้เป็นภาระเหมือนการท้ามกระท้าที่มันเป็นภาระอันหนักหนักมากไม่ใช่หนักตรหรับหนักทั้งชีวิตเลยแต่เราก็ไม่ ร, ร, มรู้ว่าแม่เขาเจ้าว่ามันเป็นภาระอันหนักกลายเป็นความชอบความรักในท่าสี่การท้าอันนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จสุดท้ายวันหนึ่งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพรายอยู่กับผู้หญิงไม่รักกันอยู่ด้วกัฆ่ากันตายเลยอุปทานเธอไปอยู่กับชาเธอต้องตายอย่างเดียวดนั้นนี่คืออุปทานของายึดของจากเป็นที่มาความลำบากความทุกข์ไ่ขาดใครทั้งนั้นเม่ขาดอะไรเยแม้แต่สรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ของเลี้ยงที่เราเลี้ยงดูว่าเป็นหมูหมากระตายแมว มันจากไปน่ะก็เกิดควาบากเนี่ยอุปสรรคบางทีบางท่านที่เข้าก็ะมางเขาจัหักไม่เียอะเลยแต่ถ้าเราตั้งสติว่าเต่ตัวนั่นเออก็อยู่ก็อยู่ไปถ้าจากไปก็จากไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจากคนต่างอยู่จากคนต่างไปในครามที่อยู่กันก็ดูแลกันไปทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะเหมือนกันกับตัวเราตัวคนเราตัวเราข้างกับครอบครัวในขณะที่อยู่กันเราทําดีต่อกันให้มันดีที่สุดก็พอแล้ว ส่วนหลังจากไมนจากกันแล้วจะเป็นยังไงไม่แต่ก็ใครขอ ข, อขนันแต่คนต่างอยู่บางคนตามามาบางคนต่างไปถ้าเราตัดใจอย่างนี้อะไรก็สบายส่วนมากไม่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องนี้พอเราคิดเสมอว่าเราเขาสองคำนี่แหละยึดมิตมาว่าอัตตาส่วนอนัตตายี่ไม่เข้าใจหักเลยเพราะมันอยู่แค่อัตาอย่างนี้นอยู่แค่เราแค่เขาอย่างนี้มันก็กลายเป็นยึดทำเป็นยึดเราไปยึดเขา ทำยึดเก็บไปยึดสิ่งของอยู่ใจมันอยู่อย่างนี้มาตลอดเวลาจตไม่เป็นอิสระเลยถ้าจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันจะเข้าใจว่าโอ้กันละตอนปรนวางจิตที่เป็นสมาธิมันจะเป็นจิตที่อิสระจริตที่เบาจิตที่มันสบายจิตวสุขสบามันจะเข้าใจสภาวะทั้งมวลเข้าใจโดยสติแล้วก็เกิดปัญญาเนี่ยคือความสําคัญทั้งหมดทั้งมวลนี้มาเริ่มต้นจากความเชื่อความศรัทธา เป็นเบื้องต้นเป็ น, นปันปมเหตุเท้านั้นถ้ามีสิ่งอะไทําไม่ได้ไปต่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันต้องฝืนมันต้องทวนน้าตามน้าไม่ได้ถ้าตามน้ํามันก็ไหลเหมือนอารมณ์ธรรมชาติของอารมณ์มันก็จะไหลไหลไปไหนไหลไปที่ตามนี่คืออารมณ์แต่ธรรมชาติมันจะต้องทวนลมทวนน้าชีวิตเราต้องทวน คือต้องฝึกต้องฝืนชีดปล่อยเป็นธรรมชาติปล่อยทำไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์พอยรู้สึกต้องคิดคุณแต่งตัวเองมันไม่ได้ทุกวันเป็นอย่างนั้นสรือถ้าก็ไหลไปตามอารมณ์เอาอารมณ์ว่าจะไปของดีอยู่คงไม่เป็นไรแหละแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันรู้ว่าอารมณ์ไม่ดีมันก็อยางเคลอยู่ร์งั้นพูดอยู่างนั้นทำอย่างนี้ก็มไม่ฉลาดคือจิตเราไม่ฉลาดมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ กุศลธรรมมไม่เกิดขึ้นไม่ได้อากุศลธรรมมาแต่จะเป็นอภิญากรดาธรรมมาเป็นกลางมันไม่มีก็จะอยู่กุศลกับอกุศลกันน้แต่ไม่ได้ปฏิบัติแต่เพื่อเกิดกุศลาเกิดกุศลเป็นฉลาดเกิดความรู้สึกนึกคิดด้วยตนเองด้วยสมาธิสติปัญญาสามพันถ้าทํางานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจะเป็นประโยชน์มหาศาลในการละ ช้อนลอยวางเดี๋ยวอบาตพาดฝึกทาทีกันฮะอันนี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีกําลังคือไม่มีพลังคนไม่มีกําลังคนที่มีพลังไปทําอะไรได้คนอ่อนอ่อเปียเปียแรงไม่ยกของหนักก็ทไม่ได้แต่ถ้าคนมีกําลังเขาเขายกขึ้นได้เจ็ดก็เหมือนกันจ็ดเราไม่มีกําลังเจ็ดเราไม่มีพลังเจ็ดเราอ่อนเออทําอะไรไมได้ วันนั้นควฝึกิตของเรามันเข้มแข็งในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องอแยกจิตคือจิตนะ ก, ก, ก, กายกับกายนะเขาเขาแล้วเราเราสุด ท, ท้ายต้องเป็นะมันต้องวางทันทีกระทบระวางทันทีกระทบระวางทันทีอย่างนี้จะเป็นประโยชน์แล้วเราก็าจะไปไกลแต่กระทบไไลทแล้วก็ยิตไว้ทั้งฝ่ายสุขและฝ่ายทุกข์มันก็จะเป็นอย่างนี้ชีวิตเราก็จะเป็นนิมาตตลอดวันที่ฝ่ายพวเราทุกคน เพื่อให้เข้าใจเรียนรู้สิ่งนี้นั้นเบื้องต้นเริ่มตน้มตนจากการหายใจนี่เป็นของวิเศษที่สุดเป็นยาที่วิเศษที่สุดในฝรั่งบางท่าเขาทดสอบทดลองกนแล้วลนะส่วนผู้จ้าของเรารนะู้มานานแล้วความรับของลมหายใจแต่พอผมไปใช้ลมหายใจในภาวน า, าตั้งจิตคือลมหายใจก่อนเป็นฐานคือเป็นที่ตั้งก็จะเป็นกายก็ตามเวทนานก็ตามจิตก็ตามธรรมก็ตาม เรือสติปัฏฐานคือฐานของจิตคือจิตต้องมีฐานต้องมีที่ตั้งไม่ใช่ลอยลถ้าจิตไม่ตั้งอยู่ในนี้ก็ไม่ได้จิตจะตั้งกับอะไรก่อนนั้นนี่เรือสติปัฏฐานเรือฐ า, านของจิตเริ่มต้นจากฐานนาบานสตคือลมหายใจสําคัญมากๆ ม, มีประโยชน์มากๆแต่ที่สำคัญคือเมื่อไม่มีสิ่งนี้แล้วคือลมหายใจนั่นก็คือ ไม่มีร่างกายไม่มีทัศนคติการห่าหมดโดยปฎิยายสูญจิตภาพเราจึงเรียกสี่นั้นว่าตายแต่เราโชคดีเรียนมาถึงกุดนั้น mm hmm. ก็ขอให้เราอาศัยความโชคดีอันนี้อย่าประมาทในชีวิตในวัยต่อยอดดูลมหายใจเสมอ mm hmm. เมื่อนึกขึ้นมาได้เมื่อไรก็ให้ลงหายใจก็หนดอย่าน้อยสุดก็คงนดลมหายใจน่นแหลจก็ สติก็เป็นก็คัดเด่เยอะมันจะในกําลังแต่จากที่เขาทดสอบทดลองกันแล้วว่าป็นหายใจสั้นหายใจยาวอะไรสะติหัวใจมันทำงานผินนนนนนนดปกติแต่ถ้าหายใจปกติอย่างนี้หัวใจมันทำงานปกติปีเราเราก็จะยืนยาวนานะถ้าอยากอายุยืนฝึกลมหายใจเยอะด้วยความมีสติหรือฝึกลมหายใจด้วยความมีสติอยู่กับลมหายใจส่วนจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ฝึก ให้เป็นนิสัยให้เป็นประจําเรื่ยอยๆขึ้นมากระทบก็ส่วยลมหายใจนี่แหละเป็นหลักในชีวิตอันนี้คือหลักเรื่องลมของลมหายใจอย่างละเอยียดทีช่วมันกเราเอาไปฝึกเอาไปซ้อมในอดีตว่าจะยืนเดินลังหรือนอนก็แล้วแต่ทําได้ทุกยเรียบมันงเป็นฝรั่งท่านพูดเจ้ า, จาใช้ได้ตุ้ยเรียบทเลยยืนไปใช้ได้เดินไปใช้ไดน้นอนอยังใช้ได้เลย แต่พอนอนเสร็จแล้วเผลอทีเดียวไปแล้วอารมณ์สุธานกับมันเรือร่องพวังแค่จิตจิตพวังค่จิตกัจิตจะมันกับภพก่ชาติแล้วตัวก่อพบก่อชาติเพี่อพระวังแค่จิตแต่ถ้านังสมาธิรเรื่องพวังแค่จิตแต่ตัวนนั้นอาจมต์อันจะออกกร่างไปตัว พ, ว ร, พ, ะวพวระวังค่จิตแล้วตัวคือก่อภพก่อชาติก็ต้องระวังถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาพอจะไม่เห็นรู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างด้เอียดเพราฉะนั้น จะเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าท้ออย่าถอยทุกทุกวันมามา้องในเป็นไรก็ให้มีฐาน ม, มีพื้นที่มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ทุกวันอยู่เสมออย่างชีวิตเราก็จะไม่ขาดทุนเกิดมาแล้วอย่าไม่ขาดทุนคุ้ได้กำไรแ น, น่นอนแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ชีวิตมันอยู่ไปวันวันวนะอย่าทีันแค่เรื่อหายใจติ่งไปวันวันไม่ได้อะไรเลยส็ได้แตแต่แค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไป แต่ความดีความไม่ดีไม่เกิดขึ้นเลยไม่อันตรายไม่ได้ประโยชน์โยคะถึงกัเป็นความงใจให้วกเราทุกคนโดยจะเป็นในภาษาหนังภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่ในวัดหรือนอกวัดก็ให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่เสมออยู่เสมอเราเป็จะพขกงสุขอนุกรมเจริญอยู่แบบโลกคนเจริญแบบโลกอยู่แบบพัฒนก็เจริญแบบธรรมขออะไรทลายได้เลยสุขอนุกรเจริญทั้งกลางโลกและทรรมธรรมทุกคนทุกท่านเือ